ทมท่างกล่าวไว้ว่ากาญวิเวติฏตวิเวตปุปัิวิเวตมีความสังัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสังัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีการวิเวตถ้าเป็นน้บวด ท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนุสษตษษร์มุโมูลเส้นงานสนับงนะเพื่อกายดูดีไม่มีสิ่งที่มากวนประสาทผ่านเข้ามาทางตาทางหูงทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจรับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาใส่ตัวเอง การจิเวทได้ดำเนินไปได้วยความสะดวกสบายมาสรฐานที่เหมาะสมจิตตนั้นก็เป็นบาทฐานของจิตตะวิเวทคือการเข้าไปหาการวิเวทก็เพื่อเพื่อจิตตะวิเวทและเพื่ออุปติเวทในระยะเดียวกันการได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวน ประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ใ, ใจก็ไม่ยุ่งทางหน้าต่างตาบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อความระงัดทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความมุ่งวายใส่ตนโดยลาําพังซึ่งหนึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้กนกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบําเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่สมสมําเสมอหสถาน ท, ที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ำเสมอ สำหรับน้าปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้ก้าวหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลำหนักๆ ก, กายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นจิตวิเวกคือความสงัดสิทธิ์ด้วยอนานาจแห่งสิตภาวนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บาเพ็ญ เขาย่อมมีความสงัดภายในจิตใจสงัดจากอารมณ์ก่อกวนตัวเองที่เรียกว่าสมาธิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลนำดับๆปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีทิิยาบทหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องจีบขวางหรือห้ามตาม งานของจิตนอกจากจิตตภาวนา ท, ที่เป็นเครื่องห้ามปรามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องพุ่นวาหรือสร้างความวุมหวายให้แก่ตนได้เพราะฉะนั้นจิตตวิเวยกจึงมีความจำเป็นด้วยจิตตภาวนาในขั้นที่วควรบังคับก็เช่นเดียวกับเรา จับสัต์มาฝึกหัดใส่คาบใส่ไถใส่ล้อใส่เตียนอะไรก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องการขณะที่ฝึกหัดเบื้องต้นสัตว์นั้นต้องผาดโผลโลดเต้นหรือไม่ดีชนกระทั่งเจ้าของเพราะมันความเข้าใจมันคงคิดว่าเจ้าของจะทำลายมันอะไรทำยายองนั้นแล้วเจ้าของต้องฝึกอย่างหนักมือ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 มอบงานได้หนึ่งหรือฝึกงานได้หนึ่มให้เขาเท่นั้นตอบแต่เขาก็ค่อยทําไปเรื่อยเขื่นใส่ล้อใส่เปกียนก็ดันไปตางเรื่องพอทํานี้ทํางานแล้วเจ้าของก็ไม่ทําไหม่ถึงเวลาเราก็จับมาใส่ล้อใสะเปกียนแล้วไล่กันเลยผลอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องตน้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมา จนถึงขณะที่เราเริ่มประกาศภาวนาจึงเป็นจิตที่ผาดโผนอยู่ไม่น้อยเพราะความเคยกินของอารมณ์เราจะมาแยกมาแยกหรือบังคับบัญชาไม่ให้เขาคิดเขาตรุงนั้นเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความคิดตรุงกับระหว่างการกับความระงับด้วยบทธรรมใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามจึงเป็นความรุนแรงต่อกันไม่น้อยนี่แหละ การทาวนาเกิดความทุกข์ก็เพราะอันนี้แต่จะทุกข์ยางไงก็ตามเพิ่งเทียบกันกับระหว่างจัตตาหนะกับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่อ ง, งานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ <c oughs> นี่จิตใจถึงจะลาบากลาบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภายในจิตยินได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกทรมานตนเอง คือมีความสงบตัวขึ้นมาเรียวกว่าอิตติวิเวคคือจิตมีความสงบสงัดไม่คิดฟุ้งซ่านวัคาญไปตามเพลงของตนโดยท่ายเดียวแม้แต่คิดก็มีการดับยัง้งมีการใค่ครวนว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดขี้เหลือภาวะหรือจะให้เป็นถึงเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดขึ้นมาหิตก็เป็นผู้ใค่ครวน พิิรพิจารณาคือสติปัญญาณนะค่ายควรจิตเมื่อรับการอารักษาพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นไถ่แม้เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณแก่จิตใจให้มีขึ้นด้ด้วยจิตจ่อมนะครับความสงบเยือนใจขึ้นมาเป็นจิตตวิเวะ ควาที่ว่าคิดตวิเวกก็มีความละเอียดไปดูลําดับเรื่องมาจากกายวิเวกพอควรแจกการแจกงานแม้แต่ขั้นคิดตวิเวกก็จําเป็นต้องใช้ปัญญาค้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสอันควรเป็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้า ที่จะทำหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหดัดคิดต่างๆด้วยปัญญาโดยถือทตาถือขันหรืออาตนะภายนอกก็ตามภายในก็ตามถือรูปถือเสียงติงรถซึ่งเคยเป็นคดีนั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาหุดคุยหา ที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีตั้งมากมายเต็มหัวใจพูดเลยหน่ะถี่ใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะแสดงตัวอย่างผาดโ ผ, น, ผ, น, ผนดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอนานาจของตับประรรมเป็นเครื่องปวดขี่บังคับเอาไว้แล้วเราก็พรอมมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญา ต่อไปพอทั้งจิตได้รับความยุเหยสงัดจิต ก, ก็มีสติปัญญาด้วยการพึจารณาคิค้นมีความแยบคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภ <c oughs> ายในจิตใจของตนว่าติดขอ้องเพราะเหตุอะไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตถึงจะถ่า น, นจะพ้นกรปล่อยวางสิ่ง น, นั้นได้ก็นําปัญญาเข้ามาพิจารณาเหมือนเขา คลาดนาคลาดกลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคราดมุนไถยแหลกละเอียดเป็นที่พอใจแล้วเขาก็หยุดอืในส่วนสัตวภาชนะที่รับภาระในการคาดการไถ่จะชา้าหรือเร็วไม่สําคัญสําคัญที่มูลคราดมูนไถ่แหลกละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การพรอปู่แล้วนั่นแหละ เรื่องปัญญาของเราจะชา้าหรือเร็วไม่สําผัรจากกีครั้งกี่หนในการพิจารณาโดยถือธาตุขันของเรานี้เป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคาดเราไถค้นคว้าอยู่นั้น ทังแล้วทั้งนอกจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัดแล้วก็หยุดเองจะฝืนพิจารณาไปได้อย่างไรเมื่อทราบว่าพอแล้วเช่นเดียวกับเรารับทานหิวเราก็ทราบว่าหิวหิวมากหิวน้อยเราก็ทราบนี่เวลาเวลารับทานจนพอกับความต้องการแล้วเราจะฝืนให้รับทานได้อีกอย่างไงคำว่าฝืนเจ้าของก็ทราบ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 เรื่องธาตุเร่งขันเป็นสำคัญเข้าใจด้วยปัจจัตังเมื่อถึงขั้นพอตัวในทำขั้นใดในขันใดหิดเครื่องปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเ ด, เดียวกับเขาหยุดคลาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตาหนิตีเดียน <c oughs> หน้าทีของสติปัญญาจะเป็นผู้ทำเอง หน้าที่ใดที่เปการแก้ปิเดตสะสารการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะ ก, การกองนองไปตามกําลังความสามารถเราเป็นผู้บงังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอย ส, สอบดูแลสแติเป็นสําคัญให้ความรู้นั้นจดจอ่อกับงานและปัญญาเป็นผู้ที่รายดูสิ่ง น, นั้นๆที่ความรู้กําลังจับหรือกําลังจดจ้องหรือสัมผัสสัมพันธ์อย่างนั้น จนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองไม่มีใครจะผู้บำเพ็ญธรรมจะกลายถึงบ้าเป็นบอไปถึงกับกอดทำนั้นอยู่ทั้งทั้งที่ปีนารอบแล้วที่ดูจะโลกเขาขึ้นบันไดพอถึงที่แล้วเขายัางปล่อยวางอีกโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะปล่อยวางมาถึงที่แล้วสายทางที่เราเดินมา มันก็ปล่อยวางหมดปัญหากันไปเองมีการพิจารณานี่ก็เช่นเดียวกันเอพอกับความต้องการแล้วมันก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะให้หมดปัญหามีเรียวจิตที่เป็นจิตตวิเวศแล้วกำลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปทิเวศค่อยสังกัดจากวิเดชไปเดิลหนัก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 มันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบกันเรื่องของกิเลสก็เป็นทํานองเดียวกันนะันมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วขยายไปก็ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นที่เป็นภัยเป็นหมดเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของหนึดงมันต้องชำนะมันต้องกําจัดโดยลําหนดะด้วยปัญญา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 เมฆ ก, กันมาก็ตามเมฆ ก, ก็เท่ากับส่วนร่างกายในขันห้าฉะนั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาก็อยู่ก็เมฆขันเมฆธาตุนี้เอปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นทํานกปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกขเวตนาทุกประเภททุกแง่ทุกมุมที่ทุกเวตนาปรากฏขึ้นมาอ้าวแต่เพราะอย่างยิ่งเราถือเอาตรง ความจริงนี่เลยคือกองชาตินี่แหละคือกองทุกหน่ะเอากตรงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกส่งเสริมทุกด้วยสังสมทุกด้วยส่งเสริมทุกให้มากขึ้นด้วยมีขนาดและมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะแก้ความหลงทั้งหลายเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใน ธาตุในขันธ์ในร่างกายของเรานี้ส่วนใดเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนดังที่เกิอธิบายให้ฟังแล้วในขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเราถือเอาจุดสำคัญของทุกที่มีมากกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นจุดพิจารณาเป็นสนามรบจดจ่อสติหรือตั้งสติปัญญาลงที่จุดนั้นเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าให้ทุกเวทนานี้ดับไป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 ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปปัะขันเป็นสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เกิดขึ้นแล้วรูปปัะขัน <c oughs> คือร่างกายของเราส่วนใดเป็นภาชนะในเวลานั้นที่เด่นมากที่สุดคือเป็นทุกข์อยู่ในอริยวัะส่วนใดที่มากที่สุดเรากาหนดแดยกรดูให้ดีอา้าวสมมติวราเจ็บอยู่ใ น, ในกระดู ค้นลงไปในกระดูกให้มันเห็นทัดเจนกระดูกท่อนอื่นๆทำไมไม่เป็นทำไมจึงมาเป็นเฉพาะท่อนนี้ถ้าว่ากระดูกเป็นทุกจริงๆทุกท่อนก็ทุกชิ้นของกระดูกที่มีอยู่ภายในร่างกายเรานี้ต้องเป็นตัวทุกทั้งหมดแต่แล้วทำไมจึงมาเป็นเฉพาะจุดซึ่งไม่ใช่เป็นความสมุนไภา์เลยนี่แสดงว่าความสำคัญความเข้าใจของเรานี้ตรองว่ากระดูกท่อนนี้ที่นี้เป็นทุก ไม่ได้เป็นทุกกระดูกต้องเป็นกระดูกดูร้อยเปรเซนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินบดเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาขันกองทับแห่งความทุกข์กระดูกอะเอาพูด อ, อย่างนี้หมวดเนี่ยขันท่าแปลว่าหมวดแปลว่ากอง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 อันใดที่จะให้ผูห้หนึดด่งผู้ใดได้รับความทุกข์ความลําบากเพราะมันเกิดขึ้นมามากน้อยจิตถ้ามันมีเจ้าของไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีผู้รักษาคือสติกปัญญาก็หล้วมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นว่าทุกนี้เป็นตนว่าตนเป็นทุกว่ากายของตนเป็นทุกเพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่ มันก็ค้าเข้ า, ขาเข้าไปแบบนี้เองเพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่ ว, วไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชั่วอใดๆมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันมีเดินไปตามภาษีภาษานั่นคือมีแต่ความรู้ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดถูกดีชั่วไม่มีสติปัญญาไก่กรองว่าลึกตื้นหย่าบละเอียด หรือผิดถูกดีชั่วประการใดมีแต่ความรู้จึงไม่ไม่กล้าแอกมันจะกลัวอะไรจะไปกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถนนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายมันไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครประทามหน้าบ้านหน้าเรือนใครประทามมันไม่ได้สาคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รู้ๆไปธรรมดานี่แหละจิตที่มีเพียงรู้ๆเนี่ยเราดูคนที่เป็นมากมีเกี่ยวียบความไม่รู้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 อาวัยวส่วนต่างๆจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกก็ตามให้เป็นความจริงอยู่ตามธรรมชาติของตนต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นความแหลมคมเข้าแยกแยะออกสู่ความจริงของแต่ละชิ้นอะอันอย่าให้ค้าเข้ า, ขากันจนกระทั่งถึงจิตให้เป็นผู้ทราบความจริงตามส่วนในความจริงทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งกายทั้งจิตตัวเองด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งชัดเจนไม่สับแต่ว่าเดาเอา ความเห็นแจ้งชัดนี้ไม่ต้องบอกแยกเองเีเดียวขอให้เห็นแจ้งชัดเถิดถ้าชัดด้วยปัญญาไม่มีอะไรติดข้างปัญญาสามารถแทงทลุลึกฟันขาดกระจายไปได้ตามกําลังของสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาให้มีกําลังมากน้อยนี่เป็นวาระสําคัญเช่นนี้เราจะต้องได้ทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงอักถึงทำถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมคํานึงถึงเรื่องปานเป็นการตายเพราะนั้นเป็น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 สาวกอราหานทั้งหลายซึ่งเคยกลัวมาด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องความต า, มายแม้แต่จักกะว่ากลัวพอเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่ได้กลัวกันทั้งนั้นน่ะท่านถือเป็นธรรมดาไปหมดเพราะเป็นคัดเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างไงการพิจารณาให้ถึงความจริงเที่นี้จึงพิจารณาได้อย่างอาหารเมื่อไม่นําความตายซึ่งเป็นสมมุติหลอกนั้นเข้ามาปิดกั้นตัวเองแล้วให้เกิดความขยะขยะให้เกิดความท้อถอย รับความกลัวนั้นก็ส่งเสริมกิเลสคือความทุกข์ความลําบากขึ้นอีกมากมากกระกองาเรายังไม่เห็นโทษแห่งความกลัวนั้นว่าเป็นตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์นี่เราจึงได้ทุกข์เรืยไปแล้วกลัวเรื่อยไปไม่เห็นใครไปพ้นได้สักคนเดียวร่วมความตายกลัวก็ตามให้กลัวก็ตามมันไปไม่พ้นแต่ถ้ามีปัญญาที่นิพพิจนาดังที่ว่านี้แล้วถึงจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ตามก็พ้นอยู่ภายในจิตให้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันภายในจิตให้นับความทุกข์ความลำ บ, บากเลยเพราะปัญญาเป็นผูู้ มีความเฉลียวฉลาดเชียบขาดแหลมคมาฟาดปันถิงนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือชความจอมปลอมความยึดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าไมถึงกาลให้ขาดซะบ้านออกจากกันเหลือแต่ความจริงล้วนกลัวตายไปหาอะไรนะคำว่าตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้พูดใส่สร้ายใต้สีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูด กอย่างนั้นสํซ้ำๆกันอย่างนั้ น, ก, น, น, นก็เหมือนกับว่ากหกกันโดยไม่มีเจตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตุถึงผลด้วยการทุ่มตติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัหาอะไรกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงปทำไมดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงเ้าวอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าตายจริงให้รู้ะพะจารณาอย่างนี้ขันคือธาตุรูปประธาทั้งเรารูปประขันทัเรามันก็เป็นรูปอ ย, อย่างนี้ใช่ไหมตั้งแต่มันเกิดมา มันไม่ได้แปลสภาพจากนี้ไปเป็นอื่นเป็นไหนเลยก็เป็นสภาพอย่างนี้จนกว่าถึงวัววอวนอวสารแห่งจุดของมันึงรือแห่ ง, งอายุของมันมันก็จะลายลงไปเป็นดินธรมรมดาส่วนน้ำก็เป็นน้ำธรมรมดาลมก็ออกเป็นลมเป็นไฟธรมรมดาเททนาก็ดับไปเป็นธรมรมดาของเขาเท่านั้นอะไรอะไรก็ดับไปตามธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นของคู่กันมาดั่งเดิม เราจะไปยึศเอาเงาเงามาเป็นตัวเป็นตนไปกลัวเงามันทํารมะมีแต่เรื่องเงาเงาทางนั้นเรากลัวเงาตัวมันยินงกินทำไมไม่กลัวตัวจริงกินก็คือตัวความหลงนั่นแหละเราไม่กลัวตัวนี้เราก็ต้องได้แแบขามทุกข์เรื่อยๆไปหลงท่านหลงขันเรื่อยๆไปเวลาจะเป็นจะตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลําบากลําบนความกลัวเป็นกัวตายสุด ท, ท้ายก็ตายไปทั้งทั้งๆติดกลัวแล้วหอบทุกไปด้วยมีอย่างเหนือนั่น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 มีป่าช้าที่ตรงไหนถ้าว่าปัาชาก็เต็มไปทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งอย่างนี้ก็เป็นปัาชาเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันเนีเวทนาเกิดกขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็เวทนาเป็นนีเน้เป็นป่าชาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากจิต ด, ดับไปที่จิตแน่อาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงของจิตเป็นอาการของจิตเพราะนั้นจิตจริงเรารู้เท่าได้ถ้ามาเป็นตัวจิตจริงๆแล้วมันแก้กันไม่ออกเรียกกันไม่ออก ระหว่างเวทนากับพิ่แต่ น, นี่เป็นของที่แยกกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นอาการอันหนึง่งแสดงขึ้นทางกายทุกเวทนาสแสดงขึ้นทางกายก็รู้สแสดงขึ้นทางใจก็รู้ที่เวลาแยกกันได้ดัางเย ด, ด, ด, ดขาดแล้วสแสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรู้เท่าด้วยสแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่จะ้สมมติคือทุกเวทนาหรือสุกเวทนาเป็นสมมตินี้สแสดงขึ้นที่นัเพราะไม่มี เชื้อให้ให้สมมติอันนี้เกิดขึ้นมาได้ทั้งยาทั้งขานจิญญานอันนี้มีป่าช้าที่ไหนมันมีความเกิดขัามดับธรรมธรรมดางมันโดยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุหรือเป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมามาทางตา ก, ก็ตาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเป็นสื่อเข้ามาหาใจทางหูก็เป็นสื่อเข้ามาหาใจจมูกเลี้นกายเป็นสื่อเข้ามาหาใจ ใจถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วเพียงรับทราบรับทรา บ, บ, บวินิจฉัยตามหลักธรรมชาติของตนรู้เรื่องตามความจริงแล้วปล่อยวางไปโดยไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าทันรู้ตามเป็นจริงตามไมจริงอันนั้นก็เป็นศัพทว่าผ่านผ่านไปผ่านมาธรรมนาะทรรมนั้นเล่าก็มีอะไรแล้ว ค, ค้นับความตายจริงอยู่ที่ไหนมันไม่มีก็เหลือแต่ความรู้รั้นรู้ล้วรู้ที่ไหนกลัวตายกลัวอะไร เรากลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเขาตัวจริงของมันจึงต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสกคัดความสง่ก็ทาให้สำคัญสาคัญเพ น, นั่นเป็นเรานี่เป็นเราอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะความสำคัญนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งแล้วก็ออกมาจากโมหาวิชาซึ่งยูพานในจิตใจมีอนัน ขันต้นเ้าหรือเป็นรากเง่าสําคัญและแสดงมาอาการที่สองคือความท้ําขัดมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราที่ล้วนแล้วทั้งแต่เรื่องจอมจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจําปลอมอย่างไงต้องรู้ความจอมปลอมนี้ด้วยปัญญาปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีไว้เพื่อแก้ของปลอ ม, อมจะให้เห็นชัดเจนนี่เวลาจําเป็นควรที่จะได้ทุ่มตรงนี้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มเหตุเต็มผล ถึงขั้นไหนก็ให้มันทราบกันกับผิดของเรานี่ตายจริงก็ให้ทราบกันไม่ตายก็ให้ทราบกันจึงเรียจึงสมงามก็ว่าเราหาของจริงต้องให้รู้ความความจริงด้วยในตัวของเราเองเราจะไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านอะจะเชื่อตามตามตำลับตำราอะไรื่อยในกาลมาสุทธันแสดงไว้ใเชื่อตามบุมคคลที่ควรเชื่อได้นั่นท่านหมายถึงว่าถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นทันไหว่างนั้นถ้านมาเดาปฏิเสธโดยประการทั้งปวงว่า ไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อกับานหลังลามันตามเป็นขั้นขั้นมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มทามเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไปหารูปธรามความเชื่อนั้นมาวิทย์มาถือแสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่มากเราช่วยตัวเองไม่ได้งั่นเชื่อตัวเองได้เราช่วยตัวเองได้เท่านั้นนี่ธรรมะข้อนั้นจึงสรุปลงมาในจุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งว่าไม่เชื่อใคร เชื่อปัญญาที่พิจารณาตามความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเรานี้เท่านั้นเมื่อรู้นี้ชัดเจนแล้วก็ประจับหายสงสัยไปหมดอะไรจริงอะไรปลอมรู้หมดน่ะผลสุดท้ายสิ่งที่เรากลัวเรื่องความเป็นความตายมันก็หมดปัญหาไปาตามกันเพราะความกลัวนี่มันเป็นที่เล่เมื่อกิ่เละประเภทนี้หมดไปแล้วมันจะเอาอะไรมากลัวแน่มันก็หมดปัญหานี่ถึงคราวที่จะพิจารณา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 ระหว่างขันกับจิตเป็นสาคัญะระว่างจิตกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตนี่ซึ่งเคืออธิบายแล้วนี่เป็นขั้นละเอียดเป็นขั้นสุดยอดของกิเลสยอดของกิเลสก็ก็อั่างที่อธิบายแล้วยอดของปัญญาก็เน้นกันลงที่ตรงนั้นฟาดฟันกันลงที่ตรงนั้นจนกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือคาที่ว่าสมมติหรือขึ้นที่ว่าสมมุติมมตไม่มีเหลื อ, อ ธรรมะอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีจะมีอยู่ในสภาพใดข้างนอกก็ดีข้างในคือรูปเวทนาสัญญาสัขงขารมุญญงเราก็ดีจะมีอยู่ภายในใจก็ดีหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงไม่ได้ไปตำหนิอันไดไม่ได้ไปชมอันไรว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์ดีเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิผิดชมเพราะเชื่อแห่งการความตำหนิิชมมันหมดไปแล้ว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 ความเกิดจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นเกิดเป็นอะไรก็ต่างจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นความดับแทงความเกิดทั้งหลายไม่มีเลยที่ตามที่ท่านว่าทุกข์ขังนาทีอาชาตาสิสัะวทุกย่อมรรคแจ่ผู้ไม่เกิดก็คืออยู่ที่จุดนั้นแหละเมื่อลบรางป่าช้าได้หมดด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วทุกย่อมรรคแจ่ผู้ไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นจิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีไม่ใช่เรื่องกิเลสอ๋อเราเอาพูดทุกเรื่องสิ ก็เกิดความคิดความปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นขันรุนร้วนไม่มีกิเลสเป็นผู้ผลักกันให้คิดให้ปรุงอะไรทั้งหมดมท่านจึงไม่เรียกว่าเกิะขึ้นออกจากนี้เมื่อธาตขันสลายไปหมดเรียกว่าล้างธาตุล้างขันไปโดยการตาย ต, ตามามสมมุนิยมแล้วก็เป็นอันบาล้างก์ปัจฉาไปในตัวเสร็จเลยปัจฉาที่จะเอาธาตุเอาขันมา ตั้งเป็นปัาชาตภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไปปร่ชาตของจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนจริงนอกจากนิพพานนางประมังสุขของคณะไม่มีความเป็นอื่นมีเท่านั้นขอให้นําไปพิธีนี้พิจาราคนคว้าลงมาไาที่จุดนี้เรื่องชายชนะเรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์สุขพ้นมีนี้เท่านั้น ขึ้นขอจิติเพียงทา